วันนี้เป็นวันเสาร์ที่มีสเามษายนพุทธศักราช2566เป็นวันที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัทได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาศึกษามาหาความรู้จากพระพุทธศาสนาผู้ที่จะสอนให้พวกเรา ได้รู้จักวิธีหาความสุขที่ที่ดีที่เราสามารถที่จะเอาติดตัวกับเราไปได้ถ้าเราไม่ได้ศึกษาก็าทำคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็อาจจะไปหาความสุข ที่เราจะไม่สามารถเอาติดตัวไปกับเราได้หลังจากที่เราตายไปแล้วในโลกนี้มีความสุขอยู่สองรูปแบบด้วยกันความสุขที่เอาติดตัวไปได้และเอาและความสุขที่เอาติดตัวเราไปไม่ได้หลังจากที่เราตายไปแล้ว ความสุขที่เราเอาติดตัวไปไม่ได้คืออะไรก็คือความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากการได้เสพรูปเสียงกลิ่นรสผพัชชนิดต่างๆเช่นความสุขที่ได้จากการได้เงินได้ทองมาได้ยศได้ตำแหน่งได้รางวัลต่างๆหรือได้ไป เสบรูปเสียงกิดลถเช่นไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆไปดูภาพยนตร์ไปดูละครไปดูการละเล่นต่างๆไปดูของแปลกของสวยของงาม <c oughs> ที่มีอยู่ในโลกนี้ <c oughs> ความสุขเหล่านี้มันเป็นความสุขชั่วคราวความสุขเดียวเดียว พอหลังจากที่เราได้มาแล้วไม่นานความสุขนี้มันก็จะหายไปมันไม่อยู่ติดกับใจเราไปได้นานมันจึงทำให้เราต้องคอยไปหาความสุขเหล่านี้มาอยู่เรื่อยๆเพื่อที่เราจะได้มีความสุขกันและถ้าเกิดมีอุปสรรคมีปัญหา มีเหตุถัดข้องที่ทำให้เราไม่สามารถได้ความสุขจากราบยศ ส, สรรเสริญได้จากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัณฑ์ชนิดต่างๆเราก็จะเกิดความเครียดัขึ้นมาเกิดความหมุดหงิดใจเกิดความเศร้าเกิดความเหง า, เ ก, า, เ, งาเกิดความว้าเหวต่างๆ เนสาเหตุของความเศร้าความเหงาความว้าเวาความเครียดหรือความหงุดหงิดใจนี้มันเกิดในช่วงที่เราไม่สามารถที่จะหาราบยศสรสรเสริญหาลูกเสียงกินลดปวดทพะชนิดต่างๆมาให้เราเสพเพราะว่าความสุขเหล่า น, นี้มันเป็นความสุขที่ไม่แน่นอน มันบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้เวลาได้ก็มีความสุขเดียวเดียวแล้วก็ต้องไปหามาเพิ่มพอหามาเพิ่มไม่ได้ก็เกิดความเครียดเกิดความทุกข์ใจตามมานี่คือลักษณะของความสุขที่เป็นความสุขแบบชั่วคราวเป็นความสุขที่ไม่แน่นอน เป็นความสุขที่เราไม่สามารถเอาติดตัวไปกับเราได้เราคือใครเราคืออะไรเราคือใจหรือดวงวิญญาณหรือกายทิพย์ที่มาครอบครองร่างกายเราก็ยึดและก็ถือร่างกายว่าเป็นตัวเราความจริงร่างกายมันเป็นเพียงเครื่องมือของกายทิพย์เท่านั้นเอง เครื่องมือในการหาความสุขในโลกนี้หาความสุขจากลาบยศสารเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพัชชนิดต่างๆถ้าเราคอยหาแต่ความสุขจากลาบยศสารเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสนี้เวลาที่ร่างกายนี้ตายไปเราจะไม่มีความสุขติดตัวไปเลย เราจะไปแบบตอนที่เราไม่ได้เสบรูปเสียงกินลดไม่ได้เสริร์ฟลาบยศสารเสิร์นั่นเอง mm hmm. คือเราจะไปในลักษณะแบบเศร้าแบบเหงาแบบเครียด mm hmm. แบบหงุดหงิดนำคาญใจ mm hmm. เพราะช่วงที่ไม่มีร่างกาย mm hmm. เราก็จะไม่สามารถที่จะหาความสุขจากลาบยศสารเสริญ จากรูปเสียงกลิ่นรสผธพัชชนิดต่างๆได้นั่นเองนี่คือความสุขชนิดหนึ่งที่คนในโลกนี้ส่วนใหญ่จะหากันเพราะคนส่วนใหญ่นี้ไม่ได้มีโอกาสได้ศึกษาได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงค้นพบความสุขีกรูปแบบหนึ่ง ความสุขที่จะอยู่ติดกับเราไปนานไม่ได้ใชไม่ไม่เป็นความสุขแบบประเดียวปะดาวไม่ได้เป็นความสุขแบบควันไฟเป็นความสุขที่จะหล่อเลี้ยงจิตใจหรือกายทิพย์ของเรานี้ให้มีความสุขอยู่เรื่อยๆทั้งในขณะที่มีชีวิตอยู่และหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้ว ความสุขชนิดนี้ก็ยังจะอยู่กับเราต่อไปเราสามารถเอาความสุขชนิดนี้ความสุขที่พระพุทธเจ้าได้ส่งคนพบแนะนานเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้กับพวกเรามาสะสมกันมาหากันเพราะว่าจะเป็นความสุขที่ยั่งยืนที่จะทำให้เราหลังจากที่เราตายไปแล้ว ยังมีความสุขต่อจะทำให้ดวงวิญญาณของเรานี้เป็นดวงวิญญาณที่อยู่ในสุกติก็คืออยู่ในภพที่มีแต่ความสุขมากกว่าความทุกข์ที่เรียกว่าสวรรค์ชั้นต่างๆไม่ว่าจะเป็นสวรรค์ชั้นเทพสวรรค์ชั้นพรมสวรรค์ชั้นนิพพานอันนี้ เกิจากการที่เรามาหาความสุขตามแนวคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าการหาความสุขที่พระเจ้าได้ส่งค้นพบนี้เราเรียกว่าเป็นความสุขใจเป็นความสุขใจอิ่มใจเย็นใจเป็นสิ่งที่เราสามารถหากันได้ต่างกับความสุขที่เราหา ที่เราหาจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกิจนรถเป็นความสุขที่ทำให้เราหิวทำให้เราอยากทำให้เราดิ้นนนทำให้เรารู้สึกว้าเวเศ้าสร้อยหงอยเหงารู้สึกหุดหงิดรู้สึกรื่มร้อนแก่จิตใจเพราะมันเป็นความสุขที่ให้เราได้เพียงเชื่อเดียวเดียว แล้วพอมันหมดไปมันก็ปล่อยให้เรารู้สึกหิวโหวยรู้สึกว่างว่างเปล่าเปลี่ยวเดียวดายรู้สึกเงาะเศร้าซ้อยหงอยเหง า, หหงารู้สึกเหมือหม่อหงุดหิดต่างกับความสุขที่พระเจ้าได้ส่งค้นพบที่จะทําให้ใจของเรานี้อิ่มทําให้ใจเราเย็นทําให้ใจเรามีความสุข อยู่นานๆไม่รู้สึกหงุดหงิดลำคาญใจเพราะความสุขที่เราได้จากวิธีการที่พูะเจ้าส่งสอนนี้จะอยู่กับใจเราไปเป็นเวลาอันยาวนานทั้งในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ขณะที่เรามีชีวิตอยู่เราก็จะอยู่อย่างมีความงมเย็นเป็นสุขและหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วใจของเรา ที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายก็เอาความสุขที่เราได้ทั้งหมดนี้ไปกับเราได้หมด <Yeah. S 1> นี่แหละเป็นความสุขที่จะพาให้เราได้ไปสู่วสวรรค์ชั้นต่างๆสวรรค์ชั้นเทพสวรรค์ชั้นพรหมสวรรค์ของชั้นพระพุทธเจ้าสวรรค์ของพระอาหารหันตสาวกคือสวรรค์ชั้นนิพพานจะาจากการวิธีการหาความสุข ที่พระเจ้าทรงสอนให้ชาวพุทธเราเมตหากันอย่าไปหลงไหลกับความสุขแบบชั่วคราวความสุขที่ได้จากราบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิก่นเพราะมันเป็นความสุขที่เราไม่สามารถเอาติดตัวไปได้และไม่สามารถรักษาให้มันอยู่กับเราไปได้เสมอในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ บางทีเราก็กลายเป็นคนเศร้าคนคนซึมเศร้าคนเหงาขึ้นมาทั้งทั้งที่เมื่อก่อนเราก็มีสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่วันดีกืนดีสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่เราเคยมีมันก็อาจจะหายไปได้หมดไปได้แล้วสิ่งที่มันจะปล่อยให้เราสิ่งที่จะเกิดตามมาก็คือความเศร้าความเหงาความว้าเหว แต่ความสุขที่ได้จากการกระทาตามที่พระเจ้าทรงสอนนี่จะไม่จากใจเราไปจะอยู่กับใจเราหล่อเลี้ยงจิตใจเราไปเหมือนน้ำซับน้ำซึมไม่เหมือนกับน้ำฝนตกฝนตกนี่ตกเดียวๆตกชั่วหนึ่งมันก็ทำให้ต้นไม้มีน้ำมีอะไรแต่ พอตกแล้วมันก็หยุดไปหลายวันบางทีก็หลายเดือนกลายเป็นแห้งแรงไปก็มีนี่คือความสุขทางโลกความสุขจากลาบยศจลาเสริญจากโลกเสียงกลิ่นรสเป็นเหมือนความเหมือนน้ําน้ำน้ำฝนที่ตกลงมาที่ไม่แน่นอนบางช่วงก็อาจจะตกเยอะจนท่วมบางช่วงก็ทิ้งช่วงห่างจนกระทั่งทําให้เกิด ไฟแรงต่างๆขึ้นมาทำให้เกิดไฟป่าเพราะความแห้งแล้งความรุ่มร้อนของอุณหภูมิแต่ถ้าเป็นน้ำรัพย์น้ำซึมนี่มันจะคอยหล่อเลี้ยงต้นไม้อยู่ได้ทั้งปีตลอดทั้งปีเพราะว่ามันมีไหลเข้ามาอยู่เรื่อยๆไม่มากจนเกินไปไม่น้อยจนเกินไปรักษาให้ต้นไม้ร่มเย็น เขียวขจีอยู่ตลอดทั้งปีได้บุญความสุขที่พระเจ้าทรงสอนนี่ก็เป็นเหมือนกับความสุขแบบน้ำซับน้ำซึมที่จะยะลอเลี้ยงจิตใจของเราให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขไปได้ทุกระยะทุกเวลาทั้งในขณะที่เรามีชีวิตอยู่และเราละหลังจากที่เราจากโลกนี้ไปแล้ว ความสุขนี้จะมีมากมีน้อยก็อยู่ที่เราทำมากทำน้อยทำมากความสุขก็จะมีมากทำน้อยความสุขก็จะมีน้อยแต่เราก็สามารถที่จะทำกันได้มากหรือน้อยก็ไม่สำคัญขอให้เราได้ทำกันอยากน้อยแล้วเดี๋ยวมันก็จะเพิ่มขึ้นไปตามลำดับเพราะเมื่อเราเห็นคุณค่าของการ หาความสุขแบบที่พระเจ้าสงสอนให้หาแล้วเราจะรู้สึกว่ามันทำให้เรามีความเย็นมีความอิ่มมีความสบายจะทำให้เราอยากจะทำมากขึ้นไปตามลำดำับต่อไปเราก็จะมีกำลังมากขึ้นในการที่เราจะทำตามความสุขที่พระเจ้าท่งสอนให้เรากระทากันความสุขที่พทธเจ้าสงสอนให้ชาวพุทธเราหากันนี้ เราเรียกว่าบุญให้ทำบุญกันทำบุญคำว่าทำบุญก็คือการสร้างความสุขให้กับใจการสร้างความอิ่มให้กับใจความสร้างความเย็นความพอให้กับใจถ้าได้ทำบุญแล้วใจจะเย็นใจจะอิ่มใจจะสุขใจจะสบายไม่หิวโหวยกับความสุขทางทางราบยศสรรเสริญ ทางรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพัชชนิดต่างๆวันนี้เราจะมาศึกษาความสุขที่พระเจ้าทรงสอนว่าทําอย่างไรคือบุญที่พระเจ้าทรงสอนให้เราทํานี้มีอะไรบ้างเท่าที่จําได้ก็มีอยู่สิบชนิดด้วยกันวิธีสร้างความสุขใจขึ้นมาวิธีแรกก็คือการทําทานทานแต่ว่าการให้ คือถ้าเรามีเท่าของเงินทองที่เหลือกินเหลือใช้ที่เราไม่สามารถที่จะใช้หรือจะกินได้<ม>เก็บไว้เฉยๆ<ม>ก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับเรา<ม>ถ้าเราตายไปเราก็เอามันไปไม่ได้เช่นลาบยศที่เราได้กันเนี้ยความสุขจากลาบยศสลรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสนี่บางทีเราหามาได้มากเกินไปเพราะว่า บางทีเวลามันจะได้มันก็ได้มาบางทีมันหายากบางทีก็หาง่ายถ้าสมมติว่าเราหาได้มากกว่าที่เราต้องใช้ต้องกินต้องอยู่เราถ้าเก็บเอาไว้ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรกับใจของเราตายไปใจของเราก็เอาไปไม่ได้เราสามารถมาแปลงให้มันเป็นบุญได้เอามาทำบุญกันด้วยการทำทาน คำว่าทานนี้แปลว่าการให้<ม>การให้นี้ไม่ว่าจะให้ใครก็ถือว่าเป็นการเป็นการทำบุญเหมือนกัน<ม>ให้พระสงฆ์องค์เจ้าเช่นทำบุญตักบาตร<ม>ก็ได้บุญได้ความอิ่มใจสุขใจให้ขอทานข้างถนนก็ได้บุญเหมือนกันได้ความสุขใจอิ่มใจเหมือนกันเพราะาเราแบ่งปัน ความสุขของเราที่เรามีนี้ให้กับผู้ที่เขาไม่มีไปเขาไม่มีข้าวกินเรามีข้าวเหลือกินเราก็แบ่งข้าวให้เขากินไปเขาไม่มีเสื้อผ้าใสเรามีเสื้อผ้ามากเหลือใช้เราก็แบ่งให้เขาไปอย่างนี้จะให้ใครก็ได้เป็นบุญเหมือนกันบุญคือความสุขใจอิ่มใจเกิดจากการให้เกิดการเสียสละเกิดจากการแบ่งปัน ไม่ได้อยู่ที่ว่าบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้จะต้องเป็นพระอริยะเป็นพระพุทธเจ้าถึงจะได้บุญมากน้อยอันนี้เป็นความเข้าใจผิดให้พระพุทธเจ้าให้ขอทานถ้าให้อย่างเดียวกันนี้เช่นให้ข้าวมื้อหนึ่งนี้ให้ข้าวมื้อหนึ่งกับพระพุทธเจ้ากับให้ข้าวมื้อหนึ่งกับขอทานก็ได้ความอิ่มใจสุขใจเท่ากัน แต่สิ่งที่เราจะได้รับจากพระพุทธเจ้าจากขอทานนี้ไม่เหมือนกันอันนี้ต่างกันตรงนี้ต่างประโยชน์ที่เราจะได้รับหรือของตอบแทนที่เราจะได้รับจากผู้ให้ผู้รับนี้จะไม่เหมือนกันถ้าเราได้ทําบุญกับพระพุทธเจ้าเราก็จะได้มีโอกาสได้ฟังคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้า<ม>ก็คือทําอันประเสริฐที่มีคุณค่ามหาศาล ยิ่งกว่าบุญที่เราทำกับพระพุทธเจ้าเพราะทำของพระพุทธเจ้านี้ถ้าเราสามารถน้อมนำเอามาปฏิบัติได้มันก็จะทำให้เราได้ไปขึ้ น, ไ ป, นไปสวรรค์ชั้นนิพพานได้เลยอันนี้ต่างกันสิ่งที่เราจะได้รับจากบุคคลที่เราไปทำบุญด้วยนี้ต่างกันแต่บุญที่เกิดจากการให้นี้ไม่เหมือนกันไม่ว่าจะให้ใครก็เหมือนกัน ให้พระพุทธเจ้าให้ขอทานให้สุนัขเนี่ยถ้าเป็นของเท่าๆกันอาหารหนึ่งมื้อเหมือนกันได้บุญเหมือนกันคนให้ได้บุญเท่ากันแต่สิ่งที่จะได้รับจากคนรับนี้อาจจะไม่เหมือนกันถ้าทำบุญกับพระพุทธเจ้าก็จะได้พระนิพพานเป็นของตอบแทนถ้าทำบุญกับขอทานก็อาจจะได้รับการยกมือไหว้ขอบคุณขอบอกขอบใจ ถ้าได้ถ้าทํากับหมาทํากับสุนัขก็จะได้ความรักจากหมาหมาก็จะรักเราหมาก็จะกระดิกหางหาเวลาเจอเรามันก็จะเข้ามาหาเรามารักเรามาชอบเราอันนี้คือสิ่งที่เราจะได้ต่างกันอยงนั้นต้องขอให้ทำความเข้าใจเรื่องของการให้ทานนี่มัน มีสองลักษณะด้วยกันคือประโยชน์อันแรกคือประโยชน์จากการให้นี้ถ้าให้ของเท่ากันนี้ไม่ว่าใครจะเป็นผู้รับนี้ก็ได้บุญเท่ากันได้ความอิ่มใจสุขใจเท่ากันแต่ของที่เราจะได้รับจากผู้รับนี้อาจจะไม่เหมือนกันต่างกันถ้าเราให้พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็จะให้นิพพานเรากลับมา สอนวิธีให้เราปฏิบัติไปนิพพานกันถ้าเราให้ขอทานขอทานไม่รู้วิธีไปนิพพานขอทานรู้จากวิธีขอบอกขอบใจขอทานก็จะยกมือไหว้ขอบคุณอันนี้เราก็จะได้จากขอทานจากจากสุนัขนี้สุนัขมันว่าขอบคุณไม่เป็นนิพพานมันก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงแต่มันรู้การแสดงความ กตันอยู่ของมันมันก็จะก็เดกขางมันก็จะดีอกดีใจแสดงความดีอกดีใจเวลาที่เขาได้เจอเรา น, นี่คือความแตกต่างของของการของผู้ที่รับของจากเราที่เขาจะให้อะไรกับเรากลับคืนมาอันนี้ต่างกันญาติโยมต้องเข้าใจบางทีญาติโยมที่ว่าเวลาจะทำบุญนี้ต้องไปทำบุญกับพระดังๆพระที่มี อมีบารมีหรืออะไรก็ตามอันนี้ก็ถูกต้องไม่ว่าไม่ไ ม, ไม่ไม่ผิดนะแต่บุญที่ยยมทํานี้สมมติโยมไปบริจาคเงินร้อยหนึ่งโยมก็ได้บุญแค่ร้อยหนึ่งเท่านั้นเองไม่ว่าจะไปทํากับใครนแต่สิ่งที่โยมจะได้รับกลับจากคนที่โยมไปทําบุญด้วยนี้อาจจะไม่เหมือนกันถ้าไปทําบุญกับพระที่เป็นพระ อหรหันหรือพระอริยะท่านก็จะให้ธรรมะอันประเสริฐกับเราแต่ถ้าไปทำบุญกับพระที่ไม่เป็นพระอริยะท่านก็ไม่มีธรรมะที่ระดับของพระอริยะให้กับเราอันนี้ถ้าเราต้องการของของตอบแทนจากพระจากผู้ที่เราไปทำบุญเราก็ต้องเลือกอว่าเราต้องการอะไรถ้าเราต้องการธรรมะต้องการนิพพาน เราก็ต้องไปทำบุญกับพระที่มีนิพพานมาแจกเราแต่ถ้าเราต้องการเพรียงแต่ทำบุญเพื่อให้เรามีความอิ่มใจสุขใจเราทำกับใครก็ได้เหมือนกันถ้าเราไปทำบุญกับพระพุทธเจา้าหรือทำบุญกับพระอริยะแต่เราไม่คุยกับท่านไม่ฟังเทศฟังธรรมจากท่านเราก็จะไม่ได้รับอะไรจากท่านดังนันบางคนไปใส่บาตรเสร็จก็กลับบ้าน สบาบาตรแล้วก็กวดน้ําแล้วก็กลับบ้านไม่รอฟังเทศฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าหรือจากพระอริยะที่เราไปทำมันด้วยเราก็จะไม่ได้รับอะไรจากพระพุทธเจ้าไม่ได้รับอะไรจากพระอริยะเราได้เพียงแต่ได้เสียสละของหรือเงินทองไปเราก็ได้บุญส่วนนี้ไปได้ความอิ่มใจสุขใจนี้ไปเท่านั้นเองอ น, นี่ก็ อธิบายให้เขาให้เข้าใจว่าการการทำบุญด้วยการให้ทานนี้มีประโยชน์อยู่สองระดับสองสองส่วนด้วยกันส่วนแรกก็คือส่วนที่เกิดจากการเสียสละเข้าของเงินทองของเราไปส่วนนี้เราทำกับใครถ้าทำปริมาณเท่ากันเราก็ได้เหมือนกันได้ความสุขใจอิ่มใจเป็นบุญที่จะติดตัวกับเราไป ที่จะพาให้เราไปสวรรค์กันแต่อีกส่วนหนึ่งที่เราจะได้รับจากคนที่เราไปทําบุญด้วยนี้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับคนที่เขาที่เราทาบุญว่าเขามีอะไรให้กับเราหรือไม่ถ้าเราไปทําบุญกับพระพุทธเจ้าท่านมีพระนิพพานให้กับเราท่านก็จะสอนวิธีไปนิพพานให้กับเราถ้าเราสามารถทาตามที่พูะเจ้าทรงสอนได้ แทนที่เราจะได้ไปแค่สวรรค์จากการทำบุญทำทานเราก็จะไปถึงสวรรค์ชัน้นนิพพานได้เลยอันนี้แหละที่เรียกว่าทำบุญกับพระพุทธเจ้าแล้วได้บุญมากกว่าทำบุญกับผู้อื่นก็เพราะว่าเราจะได้รับสิ่งที่พระเจ้าจะมอบให้กับเราแต่เราต้องรอรับถ้าเราไปเพียงแต่ใส่บาตรหรือถวายของเสร็จแล้วเราก็ไม่รอฟังเทศน์ฟังธรรม ไม่สนใจที่จะศึกษาคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าบุญที่เราจะได้รับจากพระพทรุทธเจ้านี้ก็จะไม่เกิดน<ช>ี <komplett humanities> ่ขอให้ทำความเข้าใจไว้ถ้าอยากจะทำบุญอยากจะได้บุญเยอะๆไปหาพระไปทำบุญกับพระอาหารพ์ดีที่สุดแต่ทำบุญน้าต้องอยู่ต้องฟังเทศฟังธรรมด้วยต้องศึกษาต้องฟังว่าท่านสอนให้เราทาอะไรต่อ ถ้าไปทาบุญกับพระอาหถวายของเสร็จท่านก็บอกว่ายมทำทานแล้วยมต้องไปรักษาศีลนะรักษาศีลห้ารักษาศีลแปดยมต้องไปอยู่วัดไปปฏิบัติธรรมไปนั่งสมาธิทำใจให้สงบแล้วก็ไปศึกษาความจริงของอริยสัจ ส, สีของตายักนะเพื่อจะได้ตัดความโลภความโกรธความหลงให้หมดไปจากใจ อันนี้คือสิ่งที่เราจะได้รับจากการไปทำบุญกับพระพุทธเจ้าหรือทาบุญกับพระอาหารหันต์แล้วเมื่อเราได้ยินได้ฟังแล้วเราก็ต้องนำออกไปปฏิบัติเอาไปทาตามที่ท่านสอนไม่ใช่ทำบุญทำทานอย่างเดียวเดี๋ยวกลับบ้านตอนเย็นก็ไปกินเหล้าต่ออย่างนี้ไม่ได้นะก็ไม่ได้บุญจากพระพุทธเจ้าถ้าอยากจะได้บุญจากพระพุทธเจ้าหรือพระอาหารหันต์ที่เราไปทาบุญด้วยนี้ เราต้องทำตามที่ท่านสอนว่าต้องรักษาศีลห้านะต้องอย่าไปเสพประบายยมุกอย่าไปเดืองชุลาอย่าไปเล่นการพนันอย่าไปเที่ยวอย่าไปเที่ยวไปกินไปดื่มอะไรทำนองนี้ <c oughs> แล้วก็ไปถือศีลแปดไปงดการเสพลูกเสียงกลิ่นลดอะไรต่างๆไปอยู่วัดไปบวชเป็น เป็นอุบาสกอุบาสิกาหรือไปบวชเป็นพระเป็นภิกษุเป็นแม่ชีก็ได้ <S <S แล้วก็ฝึกสมาธิแล้วก็ศึกษาปัญญาให้เห็นอริยสัจเห็นใจรักษ์ <S <S อันนี้แหละถึงจะได้บุญจากพระพุทธเจ้าจากพระอาหารหันต์ที่เราไปทำบุญด้วย ไม่ใช่อยู่ดีๆจะได้ไปทําบุญกับพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าก็จะหยิบนิพพานให้เราเลยเอาเอานิพพานไปตายไปไ ป, ไปนิพพานได้ ท, ทันทีมันเป็นไปไม่ได้ถ้าเราไม่ทําตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเราก็จะไม่ได้บุญอันยิ่งใหญ่จากพระพุทธเจ้านั่นเองอันนี้ผู้สอนเปรียบเทียบให้ฟังเพื่อญาติโยมจะได้ไม่จะได้หายสงสัยว่าทําไม ถึงต้องเลือกทำบุญกับคนนั้นคนนี้บางคนก็บอกไม่ต้องเลือกทำกับใครก็ได้บุญเหมือนกันมันก็ถูกทั้งสองอย่างค น, คนที่เขาคิดแต่บุญที่ได้จากการให้ของเหล่านี้ให้ใครก็ได้บุญเหมือนกันได้ความอิ่มใจสุขใจเหมือนกันแต่สิ่งที่เราจะได้อีกต่อ อ, อีกส่วนหนึ่งคือได้จากคนที่เราไปทำบุญด้วยนี้ก็ต้องอยู่คุยกับเขาก่อนต้องได้ยินได้ฟังว่าเขาจะให้อะไรเรา ถ้าเราไม่คุยอยู่คุยไม่คอรับของที่เขาจะให้เราเราก็จะไม่ได้รับประโยชน์ส่วนนี้ไม่ได้บุญส่วนนี้อันนี้พูดเพื่อที่จะได้เข้าใจถึงวิธีทําบุญให้ความสุขใจอิ่มใจถ้าเราต้องการความอิ่มใจสุขใจจากการเสียสละการให้ของเราเพราะเรามีของเหลือกินเหลือใช้ปล่อยไว้เฉยเฉยมันก็ไม่ได้ทำให้รรู้สึกอิ่มใจสุขใจขึ้นมาลองเอาไป แจกจ่ายให้คนที่เขาไม่มีดูสิแจกจ่ายให้คนที่เขาทุกข์ยากเดือดร้อนเช่นไปเปิดโรงทานให้คนยากคนจนที่ไม่มีข้าวกินนี่มากินข้าวฟรีดูเราเห็นคนที่เขาหิวโซแล้วมากินข้าวแล้วเขามีหน้าตีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสหลังจากที่ได้กินข้าวเสร็จมันจะทำให้เราเกิดความสุขใจอิ่มใจขึ้นมาแล้วความสุขใจออ่มใจนี้มันจะ ฝังอยู่ในใจเราไปเป็นเวลายาวนานเลยบางทีเราทาบุญเมื่อเดือนที่แล้วเรามาคิดถึงบุญที่เราทาตอนนั้นความอิ่มใจสุขใจมันก็ยังอยู่ในใจของเรานี่คือวิธีการทำบุญทำสร้างความสุขใจระดับแรกที่พระเจ้าทรงสอนให้เราทำกัน<ม>ก็คือให้เราทำบุญทําทานให้เราให้สิ่งที่เรามี สิ่งที่เราไม่มีถ้าเราไม่มีเงินมีทองเราก็ให้อย่างอื่นไม่ใช่ให้เราต้องไปหาเงินหาทองเพื่อมาทำบุญอย่างนี้ไม่ใช่นะถ้าไม่มีเงินทำบุญก็ไม่ต้องใช้เงินใช้อย่างอื่นเรามีเวลาว่างนี้เราเอาเวลาและเอากำลังกายของเรานี้ไปทำบุญก็ได้เช่นเราไปวัดเราเห็นห้องน้ำมันสกรปรกช่วยกันล้างห้องน้ำาเราก็ได้บุญ หรือเห็นเขาร่างถ้วยร่างชามกันก็ไปช่วยล่างถ้วยร้างชามใช้เอากำลังกายกำลังเวลาของเรานี้ทำคุณทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นอันนี้ก็เป็นการทำบุญได้เหมือนกันทำแล้วก็จะทำให้เรามีความสุขใจอิ่มใจเหมือนกับกับที่เราได้บริจาคถวายเงินให้กับวัดหรือทำบุญตักบาตรถวายสังฆทานความรู้สึกจะเหมือนกัน ความรู้สึกที่เกิดจากการที่เราได้ทําคุณทําประโยชน์ถ้าให้ความสุขกับผู้อื่นถ้าเราไม่มีเงินทองไม่ต้องกังวลว่าเอ้ยเราไม่มีเงินเราทําบุญไม่ได้ใช่แต่เรามีอย่างอื่นที่เราให้ได้ให้เวลาให้กําลังกายอย่างญาติโยมบางคนนี้ที่มาทมําบุญมาทําหน้าที่ช่วยจัดสถานที่ตั้ง เครื่องเสียงต่างๆตั้งกล้อ ง, ต, งตั้งอะไรนี้เขาก็ไม่ได้มีรายได้จากการมากระทำํำแต่เขาก็มาเพราะเขาทําแล้วเขามีความรู้สึกอิ่มใจสุขใจเพราะเขาได้มาช่วยทําประโยชน์ช่วยทําให้ได้มีการเผยแพร่ธรรมะอันประเสริฐให้ไปสู่คนที่อยู่ทั้งที่อยู่ใกล้และอยู่ไกลคนที่มานั่งฟังตรงนี้ก็สามารถนั่งฟังได้อย่างสะดวกอย่างสบายได้เรียนรู้ความรู้ได้เรียนรู้ธรรมะ คนที่อยู่ไกลอยู่ทางบ้านก็มีการถ่ายทอดสดผ่านทางเครื่องมือถือนี่มันก็ทำให้คนที่เขาอยากจะเรียนรู้ธรรมะได้เรียนรู้โดยที่ไม่ต้องเดินทางมาคนที่มาทำงานอาสาสมัครเหล่านี้ก็เรียกว่าเขาก็มาทำบุญเหมือนกันเขามีเวลาว่างร่างกายเขาแข็งแรงเราสามารถมาทำสิ่งที่ที่จำเป็นจะต้องทำ แล้วก็ไม่ได้รับเงินไได้รับทองแต่อย่างใดแต่เขาได้รับความสุขใจอิ่มใจและเขาก็อาจจะได้มีโอกาสได้ยินได้ฟังธรรมไปด้วยแล้วถ้าเขาได้ยินได้ฟังธรรมถ้าเขานำเอาไปปฏิบัติได้เขาก็จะได้บุญได้่ได้บุญเพิ่มขึ้นอีกแล้วแต่ว่าก็จะปฏิบัติได้ในระดับไหนในระดับศีลในระดับสมาธิในระดับปัญญา ซึ่งก็เป็นบุญแต่ระดับต่างกันขึ้นไปมากขึ้นไปตามลาดับนะดังนั้นขอให้เราเข้าใจว่าถ้าเราไม่มีเงินไม่ีทองเราอิสยังสามารถทำบุญด้วยบุญที่ที่พูดกล่าวถึงนี้เราเรียกว่าบุญที่เกิดจากการรับใช้ผู้อื่นเนือช่วยเหลือผู้อื่นนั่นเองรับใช้วัดไปไปวัดช่วยล้างถ้วยล้างชามล้างส้วมช่วยช่วยกวาดช่วยถูสาราช่วย กว่าบริเวณรอบวัดอะไรต่างๆทำให้วัดวา ด, ด, ดูสะอาดหูสะอาดตาบางทีพระสงฆ์องค์เจ้ามีน้อยทำไม่ไหวญาติโยมเห็นก็อยากจะมาช่วยอย่างี้อันนี้ก็เป็นวิธีทำบุญได้เหมือนกันไม่ต้องมีเงินมีทองถึงจะต้องทาบุญได้ <c oughs> เรียกว่าเป็นการรับใช้สังคมนี่ก็คือบุญชนิดที่สองที่พระเจ้าทรงสอนให้ชาวพุทธเราทากัน ถ้าเราไม่มีข้าวของเงินทอง mm. ก็ให้เราเอาเวลามาเป็นอาสาสมัครทำงานทำประโยชน์ให้กับวัดก็ได้ทำให้กับสังคมก็ได้เ mm. ช่นเวลาที่มีอุทุกภัยมีภัยที่จะต้องช่วยเหลือกัน mm. ช่วยกันไปเอาข้าวเอาของใช้จำเป็นไปแจกไปจ่ายให้กับคนที่เขาเดือดร้อน mm. โดยที่เราไม่ได้รับเงินทองจากการที่เรามาทำงานเหล่านี้อันนี้เราก็จะได้ เราก็จะได้บุญไปเราจะได้ความสุขใจอิ่มใจไปตอนนี้ทํางานเหนื่อยแทบเป็นแทบตายแต่กลับมารู้สึกเหนื่อยเหน่อยเพราะใจมีความสุขใจมีความอิ่มเนี<ม>่อันนี้คือบุญชนิดที่สองที่พระเจ้าทรงสอนให้ทําคือให้เราเป็นผู้รับใช้สังค ม, มยินดีช่วยเหลือผู้อื่น<ม>ถ้าเรามีเวลาที่เราถ้าเรามีกําลังที่จะทําอะไรได้เราก็ทําไป เพื่อประโยชน์สุขของผู้อื่นอันนี้บุญชนิดที่สองบุญชนิดที่สามที่ใช้ความอิ่มใจก็คือเวลาเราได้ทำบุญแล้วเราก็จะมีบุญในใจเราเราสามารถแบ่งบุญนี้ให้กับผู้ที่ร่วงลับไปแล้วได้ผู้ที่ตายไปแล้วผู้ที่ไม่มีบุญติดตัวไปเพราะคนบางคนเขาไม่เคยศึกษาธรรมะเขาไม่เคยทำบุญเขามัวแต่ไปหาความสุขทางโลก ขโมยแต่ไปหารากยศสนรเสริญไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพัชชนิดต่างๆพอเวลาตายไปดวงวิญญาณเขาก็กลายเป็นดวงวิญญาณที่หิวโหวย<ม>เรียกว่าดวงวิญญาณของขอทานเป็นขอทานเขาก็ต้องมาคอยรอลับขอทานขอบุญจากพวกเราที่ยังมีชีวิตอยู่เะ<ม>ั้นเวลาที่เราทำบุญเสร็จแล้วนี่เราจะได้บุญในใจเราได้ความอิ่มใจสุขใจ เราสามารถแบ่งบุญนี้ให้กับผู้ที่ร่วงลับไปแล้วได้และการอุทิศบุญนี้ก็ไม่จำเป็นจะต้องมีพระมีน้ำมากรวดนะอันนี้เป็นพิธีกรรมเท่านั้นเองพระนี้ไม่สามารถส่งบุญไปให้ญาติโยมได้ญนะาติโยมต้องเป็นคนส่งไปเองวิธีส่งบุญหรืออุทิศบุญนี้อยู่ที่ในใจของญาติโยมของคนที่อุทิศบุญ เวลาญาติโยมทำบุญเสร็จแล้วญาติโยมเกิดความเพิ่มปิติเกิดความอิ่มใจสุขใจขึ้นมาญาติโยมก็ระลึกขึ้นมาภายในใจว่าขอระลึกส่วนบุญนี้ให้กับผู้นั้นผู้นี้ที่ล่วงรับไปแล้วจะเป็นใครก็ได้เป็นบิดามารดาปุยาตายายครูบาอาจารย์หรือญาติสนิทมิตรสหายหรือใครที่เราระลึกถึงอยากจะให้เขาได้บุญส่วนนี้เราก็สามารถอุทิศไปได้เลย ไม่ต้องรอให้พระมาตั้งสวดญาถาสัพตีอย่างนี้ไม่จําเป็นไม่เกี่ยวกันการสวดของพระนี้ไม่ได้เป็นการส่งบุญไปแต่อย่างใดนะการสวดของพระนี้ความจริงเป็นคําสอนสอนให้เรารู้ว่าบุญที่เราทําเนี่ยเราสามารถแบ่งให้กับผู้ที่ล้องลับไปแล้วได้เนะท่านั้นเองไม่ได้ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นคาาําคาถาวิเศษวิโสอะไรที่จะต้องส่งบุญของญาติโยมไปไม่เกี่ยว ญาติโยมเป็นคนทําบุญแล้วญาติโยมเป็นคนที่สามารถส่งบุญไปได้คนเดียวคนอื่นส่งบุญไปแทนไม่ได้จะให้พระระดับไหนมาสวดมาส่งให้มันก็ไปไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของของญาติโยมของผู้ที่กระทําบุญเท่านั้นแล้วก็ไม่ต้องมีน้ํามากรวดด้วยน้ํามันก็เป็นแค่น้ําที่เขาใช้น้ํานี้เขาเป็นเหมือนกับเป็นการเป็นการแสดงตัวอย่างะ ให้เราดูว่าน้ํานี้เป็นเหมือนกับบุญที่เราทำนะบุญที่มีอยู่ในใจเราเหมือนกับน้ําที่อยู่ในอยู่ในขวดที่เราเทเนี่ยเราเทจากขวดลงไปอีกภาชนะหนึง่งก็เหมือนกับว่าเราถ่ายบุญจากใจของเราไปสู่ดวงวิญญาณที่รอรับบุญนี้อยู่เท่านั้นเองนะแต่มันเป็นเพียงแต่ตัวอย่างให้เราเห็นภาพแต่มันไม่ใช่เป็นตัวบุญตัวน้ํามันไม่ใช่เป็นตัวบุญ ตัวบุญมันคือความรู้สึกอิ่มใจสุขใจที่มีอยู่ในใจของเราที่เราสามารถแบ่งให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วได้แต่เราต้องเป็นผู้ที่สั่งการในใจแล้วว่าขอแบ่งส่วนบุญนี้ให้กับผู้นั้นผู้นี้ที่ล่วงลับไปแล้วแล้วก็ไปแบ่งให้คนที่มีชีวิตอยู่ไม่ได้ถ้าอยากให้คนชีวิตมีมีส่วนได้บุญต้องชวนเข้าไปทําบุญกับเรา ส่วนเ้าว่าอาทิตย์นี้จะไปทำบุญที่นั่นที่นี่ไปไหมแต่คนที่จะได้บุญจะต้องเป็นคนที่ทำเองแล้วจะได้บุญเยอะกว่าบุญที่เราส่งไปให้คนตายบุญที่เราส่งให้คนตายนี้เป็นส่วนน้อยแต่ก็ดีกว่าไม่มีเลยถึงแม้จมนจะเหมือนเงินให้ขอทานอย่างนี้ เวลาเราให้ขอทานเราไม่ได้ให้เงินเขามากใช่ไหมเราให้พอให้เขาประทังชีพได้ให้เขามีเงินไปซื้อข้าวกินหรือซื้อของใช้ที่จําเป็นได้เท่านั้นเองอันนี้ก็เป็นบุญอุทิศเยเวลาที่คนตายไปแล้วนี้เขาต้องมาเพิ่งบุญอุทิศแต่ถ้าอยากจะให้เขาไม่ต้องมาเพิ่งบุญอุทิศเวลาที่เขาตายไปแล้วก็ตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่ก็ชวนเขาไปทําบุญดีกว่า ไปทำบุญกันไหมทำบุญแล้วจะได้ตายไปจะได้มีบุญติดตัวไปแล้วจะได้ไม่ต้องมีไม่ต้องมาเป็นขอทานมาขอบุญจากคนอื่นอันนี้คือเรื่องของการอุทิศบุญอุทิศบุญอุทิศนี้อุทิศได้ให้เฉพาะคนที่ตายไปแล้วเท่านั้นเองเพราะเป็นบุญส่วนน้อยถ้าอยากจะให้คนที่มีชีวิตอยู่ได้บุญชวนเข้าไปทำบุญกันเวลาเราทำบุญแล้วก็ชวนเขาไปแต่เขาต้องไปด้วยความสมัครใจ แล้เขาต้องเสียเงินเสียทองของเขาเองเขาถึงจะได้บุญไม่ใช่ว่าเราให้เงินเขาไปแล้วบอกให้เอาไปทำบุญนี่เขาจะไม่ได้บุญเพราะเป็นเงินของเรามันเป็นเหมือนกับไปใช้เขาทำแทนเราเท่านั้นเองนะเิ่นบางทีเราอยากให้พ่อแม่ได้บุญเห็นพ่อแม่เป็นคนไม่ชอบทำบุญก็เลยบอกเอาเงินให้พ่อแม่แล้วพ่อแม่เอาเงินนี้ไปทำบุญนะเอาไปใส่บาตรถ้าเราบอกอย่างนี้พ่อแม่ไม่ได้บุญเพราะพ่อแม่ถูกเราใช้ถูกเราสั่ง ให้เราไปทำบุญให้กับเราการที่จะทำบุญได้บุญนี้หนึ่งของต้องเป็นของเราเองเงินทองต้องเป็นของของเราเองสองเรามีความอยากจะทำอยากจะเสียเสียสละเงินก้อนนี้ไปเราก็ได้ทำตามที่เรามีความตั้งใจถึงจะเกิดบุญขึ้นมาสมมติว่าถ้าเราอยากจะให้พ่อแม่ทำบุญเราก็ให้เงินพ่อแม่ไปแต่ไม่ต้องไปบอกพ่อแม่ว่าเอาไปทาอะไรแล้วแต่พ่อแม่พ่อแม่จะไป ทำอะไรก็ได้ไปซื้อข้าวกินไปเที่ยวไปอะไรก็แล้วแต่พ่อแมแ่แต่ถ้าพ่อแม่เกิดมีความอยากจะทำบุญขึ้นมาแล้วเอาเงินนี้ไปทำบุญเขาก็จะได้บุญอย่างนี้แตไ่ไปสั่งเขาไม่ได้ไปบอกเขาไม่ได้ถ้าไปสั่งไปบอกแล้วมันไม่ได้เกิดจากจากความคิดของเขาไม่ได้ออกมาจากใจของเขาการทำบุญนี้จะต้องเกิดจากความคิดของตนเองความอยากจะทาอยากจะทาคุณทาประโยชน์ให้กับผู้อื่น และยินดีที่จะเสียสละเข้าของเงินทองของตนเพื่อประโยชน์สุขของผู้อื่นอันนี้ถึงจะเกิดบุญขึ้นมาดังนั้นบางทีเราอยากจะให้คนนู้นคนนี้เขาทําบุญแล้วก็ให้เงินเข้าไปแล้วให้ทําบุญไปเขายังไม่ได้บุญเนาะเช่นลูกๆนี้เราก็สอนให้เขาทําบุญตอนที่เราสอนนี่เขายังไม่ได้บุญเนาะเช่นเราพาลูกไปทําบุญใส่บาตรไปถวายของอะไรต่างๆเหล่านีน้มันเป็นเงินของเราเป็นของของเรา คนที่ได้บุญก็คือเราแต่สิ่งที่ลูกได้ก็คือได้เรียนรู้วิธีทําบุญทั้งเองเพื่อต่อไปเวลาเขาโตขึ้นเวลาเขามีเงินมีทองของเขาแล้วเขาเกิดมีความรู้สึกอยากจะได้บุญเขาก็ได้เขาก็จะได้ไปทําบุญได้เพราะาก็ได้รู้จักวิธีทําแล้วคนบางคนนี้พ่อแม่ไม่เคยเข้าวัดเลยไม่เคยรู้จักวิธีทําบุญเล ย, ก, เล ย, เยก็เลยไม่ได้ทําบุญ แต่ถ้าเราพาลูกๆไปวาดบ่อยๆเวลาเราทำบุญเราก็พาลูกไปด้วยเราก็เป็นการสอนเขาเป็นการฝึกเขาให้รู้จักวิธีทำบุญเท่านั้นแต่ตอนนั้นเขายังไม่ได้บุญเพราะไม่ใช่เป็นของของเขาไม่ได้เป็นเงินของเขาแล้วไม่ได้มีเจตนาของเขาที่จะมาทาบุญเพียงแต่ว่าเราเป็นการฝึกซ้อมเขาต่อให้เขารู้จักวิธีทำบุญแล้วต่อไปเวลาโตขึ้นเวลาที่เขา มีความรู้สึกอยากจะได้บุญอยากจะมีความสุขใจอิ่มใจเขาก็จะได้ทำเองได้อันนี้คือเรื่องของการทำบุญเรื่องของการอุทิศบุญที่เอามาเล่าให้ท่านฟังเป็นบุญชนิดที่สองที่สามบุญชนิดแรกก็คือการเสียสละข้าของเงินทองบุญชนิดที่สองก็คือการรับใช้ผู้ทำประโยชน์ให้กับผู้ บุญชนิดที่สามก็คือการามีความ อ, าอุทิศบุญแบ่งบุญให้กับผู้ที่ล่วงรับไปแล้ว<ม>นี่เป็นบุญที่เราสามารถทำได้เวลาเราแบ่งบุญให้กับคนอื่นไปเราก็จะได้บุญเพิ่มอีกบุญที่เกิดจากการอุทิศบุญเพราะเรารู้สึกว่าเรามีความสุขที่เราได้ส่งบุญมาให้กับคนที่เรามีความรักมีความเคารพ<ม>เช่นพ่อแม่ของเราบางทีเราก็อยากจะให้พ่อแม่เรา ที่เป็นดวงวิญญาณในขณะนี้ได้อยู่บนสวรรค์กันเราก็ส่งบุญนี้ไปบุญที่เราส่งไปนี้ถ้าส่งไปเรื่อยๆนี้ถ้าท่านขาดบุญเหล่านี้มันก็จะสามารถช่วยส่งให้ท่านไปอยู่บนสวรรค์ได้นะแทนที่จะมันต้องเป็นขอทานขอท่านมีบุญท่านก็กลายเป็นเศรษฐีบุญขึ้นมาพอเป็นเศรษฐีบุญก็จะเป็นผู้ที่ไปอยู่ในสวรรค์ได้นี่ก็คือวิธีทําบุญที่จะทําให้เรามีความสุขใจอิ่มใจ สข้อข้อที่สี่ก็คือการที่เราทำบุญด้วยการมีความอ่อนน้อมถ่อมตนการที่เรามีความอ่อนน้อมถ่อมตนเราอยู่กับใครนี่เราจะไม่ถือตัวเราจะไม่อวดเก่งอวดดีเราจะรู้สึกเราสบายใจเย็นใจใครเขาจะพูดอะไรเราก็ค้าขาคับผมไปเป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตนใจเราก็จะเย็นเราใจเราก็จะสบาย แต่ถ้าเราไปอวดเก่งอวดดีอวดนั่นอวดนี่ถ้าคนเขาขัดใจเราขึ้นมาเราก็จะโกรธเขาขึ้นมาเราก็จะรู้สึกไม่มีความสุขใจแต่ถ้าเราเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตอนนี้จะไม่มีใครเข้ามาขัดใจเราเพราะคนอ่อนน้อมถ่อมตอนนี้ไม่ได้ไปสร้างความรู้สึกที่ไม่ดีให้กับคนอื่นแต่คนที่ไปอวดเก่งอวดดีคนที่อวดเบงนี่นอกจะไปสร้างความรู้สึกที่ไม่ดีให้กับคนอื่น ไปทำให้คนอื่นเขาจะมาทำทาสิ่งที่เราไม่พอใจได้ตอนเราไม่พอใจแทนที่เราจะมีความสุขเราก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาในสังคมพูดเหล่านี้พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ชาวพุทธเราเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนเจอใครก็ยกมือไหว้ไปแสดงความเคารพให้เกียรติเขายกย่องเขา การยกย่องผู้อื่นนี้มันทำให้เรามีความสุขใจเราเย็นใจเราสบายนี่ <Yeah. S 2> นี้ก็คือบุญอีกข้อหนึ่งที่พระเจ้าทรงสอนให้เราทากันถ้าเรามีโอกาสเนี่ย <Yeah. S 2> บุญที่พูดถึงนี้ก็ขึ้นอยู่กับกับกาลเทศะกับโอกาสเนี่ถ้าเราไม่มีโอกาสได้ทำก็ไม่เป็นไรถ้าเราอยู่คนเดียวเราก็ไม่ต้องไปอ่อนน้อมถ่อมตนกับใครแต่เวลาเราพบปะใครอยู่ด้วยกันกับใครนี้ ถ้าเราจะอยู่กับเขาได้อย่า ง, างสุขอย่างสบายนี้ต้องอยู่แบบผู้น้อยอยู่แบบผู้อ่อนน้อมถ่อมตนทำตัวเราเป็นเหมือนคนรับใช้นี่อยู่กับใครเขาก็ไม่มีใครรังเกียจแต่ถ้าเราไปทำตัวเป็นเจ้านาย เ, เป็นเจ้ากี้เจ้าการนี่ไปอยู่กับใครเดี๋ยวก็โดนเขาต่อต้านเาเพราะไม่มีใครชอบคนที่อวดเบงอวดเก่งแต่เขาชอบคนที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตน ถ้าเราอยากถ้าเรามีความอ่อนน้อมถ่อมตนเราจะอยู่กับใครก็ได้แลวจะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งของการที่จะทำให้เรามีความสุขใจได้เวลาที่เราไปพบปะกับใครอยู่กับใครขอให้เรามาทำตัวเราให้เป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตนแล้วบุญอีกขั้นหนึ่งที่เราจะสามารถทำได้ก็คือ บุญที่เกิดจากการได้ศึกษาได้ฟังเทศน์ฟังธรรมได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้า mm. เพราะการได้ยินได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้านี้จะทำให้เรารู้จักวิธีทำรรบุญต่างๆ mm. ถ้าเราไม่ได้ศึกษาไม่ได้ยินได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเราก็อาจจะไปหลงหาห ล, ลงไปหาความสุขจากการไปหาลาบยศสรรเสริญหาความสุขจากลูกเสียงกลิ่นรสผลสพระ ซึ่งแทนที่จะเป็นความสุขใจกับกลายเป็นความทุกข์ใจร้อนใจขึ้นมาเพราะว่าเป็นความสุขแบบที่ไม่แน่นอนแต่ถ้าเรามาได้ยินได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆเราก็จะได้ยินได้รู้จักวิธีที่จะทำให้เรานี้ได้ไ ด, ได้ทบุญกันได้มีความสุขกันโดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องมีข้าวของเงินทองไม่ต้องมีความร่ารวยถึงจะสามารถทาบุญในทางศาสนาได้ ไม่มีข้าวของเงินทองเรามีกำลังกายมีเวลาว่างเราก็ทำทำบุญได้มีบุญเราก็อุทิศบุญให้กับผู้ที่ล่วงลับไปได้เราทำตัวเราให้เป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตนเราก็มีความสุขได้สุขใจได้แล้วถ้าเราอยากจะทำบุญที่มากกว่านี้เราก็จะได้เรียนรู้ว่าวิธีที่จะทำบุญให้เรามีความสุขเพิ่มมากขึ้นก็คือเราต้องทเราต้องรักษาศีลกัน สีนี้เป็นการละเว้นจากการกระทำบาปเพราะการกระทำบาปนี้จะทําให้ใจเราทุกข์ทำให้ใจเราร้อนทําให้ใจเราลุกเป็นเหมือนไฟไหม้บ้านเวลาเราทําบาปแล้วใจเราจะไม่มีความสุขใจเราจะเครียดเวลาถูกจับนี่เวลาเวลาเราทําผิดแล้วไปถูกตํำรวจจับนี่ใจเครียดขึ้นมา ท, าทันทีความดันขึ้น เนี่ยในความทุกข์ใจเกิดขึ้นจแต่ถ้าเราไม่ได้ทำบาปถึงแม้ตำรวจจะจับเราไปเราก็จะรู้สึกเฉยๆเมื่อเราไม่ได้ทำบาปเราจะไม่เราจะไม่เครียดเราจะไม่เดือดร้อนอะไรเพราะเรามั่นใจในความบริสุทธิ์ของเราถ้าเรารักษาศีลได้นใจของเราจะเย็นใจของเราจะสบายไม่วุ่นวายไม่วิตกไม่กังวลไม่หวาดกลัวแต่ถ้าเราทำบาปไปแล้วนี่ถึงแม้ไม่มีใครรู้ก็ตามแต่เรารู้ใจเรารู้ ใจเราจะเริ่มมีความหวาดกลัวขึ้นมาเวลาเจอเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งทั้งที่เขาไม่ได้ตั้งใจจะมาจับเราเพียงแต่เขาอาจจะเดินผ่านมาแล้วอาจจะแวะทักทายเราเพียงแต่เห็นเขาเดินเข้ามาเราก็ใจวูบลงไปแล้วใจเราก็เกิดความวิตกเกิดความหวาดกลัวขึ้นมาถ้าเราทำบาปไว้ถ้าเราทำผิดกฎหมายถ้าเราไปทาอะไรผิดนี้มันจะทาให้ใจเราทุกข์ขึ้นมา แต่ถ้าเราสามารถรักษาศีลได้นะไม่ทำบาปไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเพณีไม่พูดปดไม่โกหกหลอกลวงใครนี่ใจของเราจะไม่รู้สึกทุกข์ใจกังวลใจไม่มีความวุ่นวายใจใจเราจะเย็นใจเราจะสบายอันนี้ก็เป็นความสุขใจอีกแบบหนึ่งที่เกิดขึ้นจากการรักษาศีลอันนี้ก็พยายามลองลองทากันดูรักษาศีลห้าให้ได้ ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเพณีไม่พูดปดแล้วก็ไม่ดื่มของมึนเมาเพราะการดื่มสุราหรือของมึนเมานี้จะทำให้เราไม่สามารถที่จะควบคุมสติของเราไว้ได้มันก็จะทำให้ใจของเรานี้สามารถที่จะไปทำบาปได้พอทำบาปแล้วใจเราก็จะไม่สบายใจลองสังเกตดูเวลาเราไปทำบาป เวลาเราไปลักทรัพย์ของคนอื่นแนละ้วเราจะรู้สึกไม่สบายใจเวลาเราไปโกโหกใครนี่ใจเราจะไม่สบายขึ้นมาเวลาเราไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเราก็จะรู้สึกไม่สบายใจขึ้นมาเวลาเราไปประพฤติผิดประเพณีไปยุ่งกับสามีภรรยาของคนอื่นนี่มันก็จะทำให้ใจเราไม่สบายแต่ถ้าเราไม่ทำสิ่งเหล่านี้ได้ ใจเราก็จะเย็นจะสบายไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนไม่วิตกไม่กมังวลอันนี้ก็เป็นบุญอีกอย่างหนึ่งและบุญแบบนี้เป็นบุญที่มีคุณประโยชน์ต่อดวงวิญญาณของเราเพราะว่าถ้าเราไม่ทำบาสนี้ดวงวิญญาณของเราจะไม่ไปตกไปในอบายไม่ไปนั้นไม่ไปตกไปในนรกไม่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานอันนี้ป้องกัน ว่องการดวงวิญญาณของเราไม่ให้ไปรับโทษหลังจากที่ร่างกายของเราตายไปแล้วแต่ถ้าเราไม่ไม่รักษาศีลถ้าเราทําบาปอยู่เรื่อยๆเวลาร่างกายตายไปนี่<ม>ถ้าไปเกิดก็อาจจะไปเกิดเป็นสัตว์ในราชา<ม>ถ้าไม่ยังไม่ได้เกิดก็จะเป็นสัตว์<ม>เป็นสัตว์นรกบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นผีบ้าง<ม>เนื่องจากบาปที่เราทําไว้เป็นเหตุที่จะทําให้ดวงวิญญาณของเรานี้อยู่กับความทุกข์ชนิดต่างๆนี่ แต่ถ้าเรารักษาศีลได้มันก็จะ ป, ปิดประตูอาบายได้ตายไปไม่ไปไม่ไปเกิดในอาบายถ้าไม่ไปสวรรค์ก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้เลยอันนี้ก็เป็นคุณเป็นประโยชน์เป็นบุญเห็นความสุขใจถ้าเรามีความมั่นใจว่าเวลาเราตายไปนี้เราไม่ไปเกิดไปในอาบายเพราะถ้าเรารักษาศีลไดอ้อย่างครบถ้วนหรือ ร, รักษาศีลและทำบุญ แล้วทำบุญไว้มากกว่าทำบาปเราก็จะมีความมั่นใจความสบายใจว่าดวงวิญญาณของเราจะตายอย่างสงบตายอย่างสุขติจะไปสู่สุขติได้อันนี้ก็เป็นวิธีทำบุญเพิ่มด้วยการรักษาศีล น, นอกจากการรักษาศีลแล้วถ้าเราอยากจะทำให้ใจเรามีความสุขมากกว่าความสุขที่เราได้จากการทำบุญทำทานทำคุณทำประโยชน์ต่าง ได้ความสุขมากกว่าจากการรักษาศีลเราก็ต้องไปฝึกทำบุญอีกชนิดหนึ่งที่เรียกว่าภาวนาภาวนานี้แปลว่าการพัฒนาจิตใจทำใจให้สูงขึ้นให้ดีขึ้นให้สงบมากขึ้นการภาวนานี้เป็นการเป็นการพัฒนาจิตใจใจของเราขณะนี้เป็นใจที่ยังอยู่ค่อนข้างในระดับที่ยังไม่ได้รับการพัฒนา เือใจเราเรายังควบคุมอารมณ์ต่างๆของเราไม่ได้เรายังไม่สามารถทำใจของเราให้นิ่งให้สงบได้ใจของเรายังวุ่นวายไปกับเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่เรื่อยๆแต่ถ้าเรามาภาวนานี่เราจะสามารถควบคุมใจของเราได้ทำให้ใจของเรานี้ตั้งอยู่ในความสงบได้<ง>แล้วถ้าเราทำใจให้เราอยู่ในความสงบได้เราจะได้พบกับความสุขใจอิ่มใจที่ที่ดีที่สุดที่ ที่มากที่สุดที่เราสามารถที่จะทําให้กับใจของเราได้คือความความสุขที่เกิดจากความสงบเนี่ยที่พูเจ้าทรงตัดว่าเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงถ้าเราอยากจะมีความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขของมหาเศรษฐีของประธานาธิบดีของนายกรัฐมนตรีของผู้ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองหรือรางวัลอะไรต่างๆนี้ ให้เรามาหาความสุขจากการทำใจของเราให้สงบด้วยการภาวนาการภาวนานี้จะทำให้ใจเรานิ่งทำใจให้เราสงบวิธีภาวนาทำใจให้เรานิ่งให้สงบก็คือการนั่งสมาธิด้วยการใช้ด้วยการเจริญสติคอยควบคุมใจไม่ให้คิดถึ ง, งเรื่องราวต่างๆเช่นให้เร า, เ, ราเลึอกอยู่กับคำบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธไปนั่งหลับตาแล้วก็พุทโธพุทโธพุทโธ ไปเรื่ อ, อยๆอย่าปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้อยู่กับพุโทโธไปเรื่อยๆถ้าอยู่กับพุโทโธได้เดี๋ยวใจก็จะนิ่งใจก็จะสงบได้หรือถ้าไม่ได้อยู่กับพุทโธอยากจะอยู่กับลมหายใจเข้าออกก็ได้ดูลมหายใจที่ปลายจมูกก็ได้ <ừ. S 2> ดูรู้ว่าลมเข้าลมออกที่ปลายจมูกไม่ต้องตามลมเข้าไม่ต้องตามลมออกถ้าเห็นลมตอนนี้ลมกําลังเข้าก็รู้ว่ากําลังเข้า ลมหายใจออกก็รู้ว่ากําลังออกให้รู้แค่นี้ให้รู้เฉยๆรู้แล้วอย่าไปคิดเรื่องนั้นเรื่องคิดเรื่องนี้ให้อยู่กับการรู้ลมอย่างเดียวถ้าถ้าอยากจะเปลี่ยนที่ดูจากปลายจมูกมาดูที่หน้าท้องก็ได้บางคนเห็นลมเข้าลมออกชัดชัดกว่าที่หน้าท้องเพราะเวลาหายใจเข้าท้องจะพองขึ้นมาเวลาหายใจออกลมลมล ม, ลมหายใจออกท้องก็จะยุบลงไปอันนี้เขาเรียกว่ายุบหนอพองหนอ มันก็เป็นวิธีดูลมอีกแบบหนึง่งแทนที่จะดูที่ปลายจมูกก็ดูที่หน้าท้องแทนเวลาลมเข้าก็พองหนอเวลาลมออกก็ยุบหนอยุบหนอพองหนอไปบางพวกก็ดูที่ปลายจมูกเวลาลมเข้าก็ว่าพุธเวลาลมออกก็ว่าโทก็ได้ไม่ว่าก็ได้ให้รู้เฉยๆก็ได้รู้ว่าตอนนี้ลมเข้าหรือว่าลมออก ข, อข้อสำคัญก็คืออย่าไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ ให้อยู่กับลมเรื่องของลมเพียงอย่างเดียวให้รู้อยู่แต่เรื่องลมอย่างเดียวถ้าเราสามารถจดจอ่อควบคุมบังคับใจของเรานี้ให้อยู่กับลมได้นะเดี๋ยวไม่นานใจเราก็จะนิ่งสงบจะหยุดคิดความคิดต่างๆที่เคยคิดทั้งวันทั้งคืนนี้มันจะหายไปแล้วใจเราจะรู้สึกว่างรู้สึกเบารู้สึกเย็นรู้สึกสบายรู้สึกว่าไม่เคยพบกับความสุขแบบนี้มาก่อน เป็นความสุขที่แม้กระทั่งมหาเศรษฐีก็ซื้อไม่ได้นายงพัฒมนตรีก็สั่งมาไม่ได้อันนี้เป็นความเป็นความสุขที่ต้องเกิดจากการภาวนาเพียงอย่างเดียวการจเจริญสติด้วยคำบริกรรมพุทโธก็ได้หรือการดูลมหายใจเข้าออกก็ได้แต่การที่เราจะทําให้ใจเราอยู่กับพุทโธได้อยู่กับลมได้เราต้องฝึกสติมาก่อนที่เราจะมานั่งเราต้องพยายามพยายามฝึกสติอยู่เรื่อยๆ วันวันหนึ่งไม่ต้อง ไ, ไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ต้องคิดเรื่องราวต่างๆคิดเท่าที่จําเป็นเวลาไม่มีความจําเป็นจะต้องคิดก็ให้อยู่กับพุโทโธพุธโทโธไปถ้าทําอย่างนี้ได้เวลามานั่งสมาธิใจจะนิ่งใจจะสงบแล้วใจจะพบกับความสุขความสุขที่แม้กระทั่งมหาเศรษฐีก็ไม่สามารถที่จะใช้เงินซื้อได้ เป็นความสุขที่เงินทองมีเท่าไหร่ก็ซื้อไม่ได้มีตำแหน่งมีตำแหน่งยศใหญ่ขนาดไหนก็ไม่สามารถซื้อความสุขแบบนี้ได้ต้องต้องเกิดจากความมีสติคอยควบคุมความคิดของเราต้องไปหาที่สงบนั่งสมาธิคนเดียวแล้วก็ดูลมหายใจเข้าออกหรือบริกรรมพุทโธถ้ายังดูลมไม่ได้ยังพุทโธไม่ได้ก็ให้นั่งสวดมนต์ไปก่อนนั่งสวดมนต์ไปหลายๆรอบก่อนสวดไปให้ใจเย็นก่อน ส่วนอ e ิติปีโสไปตามอายุก็ได้อายุ30ก็สวดสัก30รอบดูอายุ20ก็สวด20รอบสวดเสร็จแล้วก็ลองมาดูที่ลมหายใจต่อถ้าสวดไปสักระยะหนึ่งแล้วมันจะได้สติแล้วใจจะสงบใจจะเย็นจะทําให้เรามีความสามารถที่จะดูลมหายใจเข้าออกได้พอเราดูลมได้แล้วก็เพ่งดูลมไปเฉยๆไม่ต้องคิดไม่ต้องพูด ให้รู้อยู่กับลมเข้าลมออกไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวใจก็จะนิ่งจะสงบสงบแล้วก็จะมีความสุขเป็นความสุขที่ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะดีเท่าความสุขที่ดีที่สุดที่เราสามารถให้หให้กับเราได้ก็คือความสุขที่เกิดจากความสงบ<ๆ>เกิดจากการฝึกสมาธินั่งสมาธินั่นเองแต่ความสุขจากสมาธินี้มันเป็นความสุขชั่วคราวเวลาออกจากสมาธิมา ความสุขนี้ก็จะถูกทำลายได้ถ้าเราไม่รักษามันไว้สิ่งที่จะมาทำลายความสุขด้วยความสงบที่เราได้จากสมาธิก็คือความอยากความโลภของกิเลสออกจากสมาธิมาถ้าเราอยากได้นูน่นอยากมีนี่อยากให้สิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนี้เราต้องหยุดมันวิธีที่จะหยุดมันได้ก็ต้องใช้ปัญญาสนใจให้เรารู้ว่าสิ่งต่างๆที่เราอยากได้นี้เราไปสั่งมันไม่ได้ สั่งให้มันเป็นอย่างนั้นสั่งให้มันเป็นอย่างนี้ไม่ได้เสมอไป <Yeah. S 1> ถ้าเราไปอยากแล้วมันจะทําให้ใจเราทุกข์ทำให้ใจเราเครียดทําให้ใจเราไม่มีความสุขถ้าเราอยากจะให้มีความสุขสงบเหมือนที่เราในขณะที่มีอยู่ในสมาธิเวลาออกมาเจอกิเลสเจอความโลภความอยากก็ต้องใช้ปัญญาสอนใจว่าไม่มีอะไรที่เราสามารถไปควบคุมบังครับให้มันเป็นไปตามความต้องการของเราได้ เวลาไม่ได้ตามที่เราอยากแล้วเราจะทุกข์แต่ถ้าเราไม่มีความอยากปล่อยให้มันเป็นไปตามเรื่องของมันมันจะเป็นอย่างนั้นก็ปล่อยมันเป็นอย่างนั้นมันจะเป็นอย่างนี้ก็ปล่อยมันเป็นอย่างนี้ใจเราก็จะไม่วุ่นวายใจเราก็จะสงบเหมือนเดิมอันนี้ก็คือการสร้างบุญด้วยปัญญาขั้นต้นก็สร้างบุญด้วยสมาธิแล้วก็สร้างบุญด้วยปัญญาถ้าเราสร้างบุญในระดับปัญญาได้ เราสามารถหยุดความโลภความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดสิ้นไปได้ใจของเราก็จะกลายเป็นนิพพานขึ้นมาเป็นสวรรค์ชั้นนิพพานขึ้นมาพอเราได้สวรรค์ชั้นนิพพานเราก็จะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายต่อไปไม่ต้องมาทุกกับเรื่องราวต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่ต้องมานั่งไม่ต้องมาทำบุญอะไรต่างๆอย่างที่เราต้องทากันอยู่ในขณะนี้เพราะเมื่อเราไม่มาเกิดแล้วเราก็จะไม่มีความทุกข์อีกต่อไป เราจะมีความสุขเต็มที่อยู่ในใจของเราเพราะเราได้ทําบุญต่างๆที่ที่เราต้องทําได้ครบบริบูรณ์ถ้าใจเราถึงนิพพานแล้วเราก็จะไม่ต้องกลับมาทุกกับอะไรอีกต่อไปเพราะใจที่เป็นนิพพานนี้ไม่มีความอยากไม่มีความหิวไม่มีความต้องการอะไรอีกต่อไปอันนี้แหละก็คือบุญนันสูงสุดที่เราจะได้รับจากการที่เรา ทำตามที่ผู้เจ้าทรงสั่งสอนให้ทำบุญทาทานด้วยวิธีการต่างๆแล้วก็ให้รักษาศีลแล้วก็มาภาวนากันฟังเทศฟังธรรมเพื่อให้รู้จักวิธีภาวนารู้จักวิธีทำบุญว่าทำอย่างไรกันมันฟังธรรมอยู่เรื่อยๆเราจะเกิดความเข้าใจดีขึ้นไปตามลำดับ แล้วต่อไปเพื่อนเราเข้าใจแล้วเราก็จะได้นำมาไปปฏิบัติเอาไปทำบุญชนิดต่างๆที่จะทำให้ใจของเรานี้มีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวนี่คือเรื่องราวของการทำบุญในพระพุทธศาสนาที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวะหาปูราปิริปุเรนติสากหลังเอวเมวอิโตทินังเปตังังอุปกปติยิชิตังปฏทิตังต um ุมหังคิปเมวะสมิจัตุสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนะหราโสยตามณิโชติหราโสยตาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตราโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาธนศีลิสะนิจังวุฒาปะจายโน จัตารโอธรรมวาทันติอายุวันโอสุขังภาลังช่วงต่อไปก็ช่วงธรรมะนะเมือกี้ช่วงถ่ายรูป <c oughs> อันนี้ใครอยากจะถามธรรมะก็เชิญถามได้จะถามเองก็ได้เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้ หรือท่านมีมือถือก็ส่งก็ามาทางเพจทาง YouTube ก็ได้วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่กราบเรียนพระอาจารย์ค่ะวันนี้มีผู้เราฟังธรรมะนาคุตจากทาง Facebook พระอาจารย์สุชาติ454ท่าน YouTube พระสุชาติไลฟ์295 YouTube อกเตอร V 106วิทยุออนไลน์6คลับเฮาส์15นาคุต119รวมทั้งหมด995ท่านค่ะ มีคําถามก็เชิญถามได้เลยคำถามจากทาง facebook ค่ะหนูส่งเงินไปช่วยถ่ายชีวิตโคกระบือแต่ต้องส่งในานามของเพื่อนเพราะเราโอนไปไม่สะดวกเราจะได้รับผลบุญเต็มที่ไหมคะเต็มที่ถ้าเป็นของเราเราถ่ายเป็นเจ้าของคนนั้นก็ได้ชื่อเป็นเพียงแต่สมมุติเท่านั้นเองค่ะคําถามจากทาง facebook ค่ะคุณแม่ที่เพิ่งเสีย เราก็เก็บท่านไว้ก่อนยังไม่เผาเราก็เราก็นิมนต์พระมาสวดให้ให้ท่านทุกวันพระสิบห้าค่ำคุณแม่จะได้รับผลบุญที่ลูกๆทําให้ไหมคะลูกต้องอุทิศบุญไปเวลาลูกทําบุญเสร็จก็ต้องอุทิศบุญนแาถึงจะได้รับแต่ถ้าไม่อุทิศบุญนิมนต์พระมาสวดเฉยๆก็จะไม่ได้บุญบุญต้องเกิดจากการทําบุญทําทานของลูกๆแล้วลูกก็อุทิศบุญส่วนที่ได้ทําไป Okay. คำถามจากทาง Facebook ค่ะเรานั่งสมาธิดูลมเข้าออกพอจิตหลงไปคิดแล้วเรารู้ตัวความคิดนั้นจะหยุดทันทีแ ล, แล้วหลังจากรู้ว่าคิดเราต้องพิจารณาไหมครับว่าสิ่งที่คิดไปนั้นเป็นโทสะโลภะหรือโมหะหรือแค่รู้ว่าคิดก็พอครับไม่ต้องไปทวนว่ามันคิดอะไรไม่ต้องคิดเวลาทําสมาธิเราไม่ต้องการคิดอะไร ใช่ลุมพอรู้ว่าเราคิดก็ต้องหยุดมันแล้วก็กลับมาดูลมต่อคำถามจากทาง y o u t u ู e พระอาจารย์สุชาติค่ะถ้านั่งสมาธิแล้วไม่รู้ลมหายใจเห็นดวงจิตลอยออกไปเราจะต้องทำอย่างไรต่อตอนนั้นกลัวอะไรถอนสมาธิออกมาค่ะ อ, อ๋ออย่าไปตามเห็นมันให้อยู่กับลมถ้าอยู่กับลมไม่ได้ก็ใช้พุโทโธหนึ่งไหมหนึ่งพุโทโธด้วยพุโทโธพุธโทโธไป ถามศดทางยูทูบพระอาจารย์สุชาติค่ะการรู้ทิศบุญโดยกําหนดในใจว่าบุญนี้จงสําเร็จแก่เจ้ากรรมในเวรในอดีตชาติทุกชาติและบรรพบุรุษ ท, ที่ล่วงลับไปแล้วกําหนดเช่นนี้ได้หรือไม่คะได้แต่ผลจะได้ไม่ได้อีกเรื่องพราบุญนี้เราก็ส่งเข้าไปเราไม่สามารถไปเปลี่ยนใจของคนที่เขามีอะไรกับเราได้นอกจากเขาจะเปลี่ยนใจเขาเอง คำถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะวันนี้วันเกิดอายุครบใส่สี่สิบห้าปีมีแนวทางในการดำเนินชีวิตปฏิบัติทำอย่างไรบ้างเจ้าคะรู้สึกว่าเวลาเหลือน้อยลงทุกทีเจ้าค่ะเราต้องรีบปฏิบัติปีหน้าจะไม่ได้อยู่ถึงปีหน้าก็ได้ให้คิดอย่างนี้เพราะคาว่าอ น, นิจจังมันไม่ได้เป็นตัวที่จะทำให้เรานอนใจนอนประมาทนอนใจได้ คนเราจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่มีใครรู้เพราะฉะนั้นขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่รีบทำประโยชน์ให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทาได้ยังไม่มีคำถามพยายามระลึกถึงความตายอยู่เรื่อยๆเราไม่รู้ว่าเราจะตายด้วยเหตุใดบางทีร่างกายเราแข็งแรงแต่เราอาจจะไปเจออุบัติเหตุก็ได้หรืออาจจะเจอภัยอะไรที่เราไม่คาดฝันก็ได้ เพะฉอยเราเระลึกถึงถึงความตายแล้วเราจะไม่ประมาทเราจะได้รีบใช้เวลาที่เรามีอยู่นี้ให้เกิดคุณประโยชน์กับจิตใจของเราให้เต็มที่คือทําบุญชนิดต่างๆที่พระเจ้าทรงสอนให้ทํากันเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปเพราะการกลับมาเกิดนี่มันก็กลับมาหาความทุกข์ใหม่อีกทีคำถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะ วันนี้ได้ฟังธรรมกับหลวงพ่อแล้วอุทิศบุญให้กับผู้ล่วงรับเขาจะได้รับไหมคะบุญที่อุทิศบุญนี้ต้องบุญที่เกิดจากการทําทานบุญที่เกิดจากการฟังเทศน์ฟังธรรมนี้ยังยังคิดว่าอุทิศไม่ได้นะเพราะไม่ได้ไม่ได้มีในคําสอนของพระพุทธเจ้าพระทเจ้าทรงสอนให้ทําทานเพื่ออุทิศบุญแต่ฟังธรรมนี้เพื่อเพื่อประโยชน์ของผู้ฟังเพียงอย่างเดียวเพื่อผู้ฟังจะได้ รู้จักวิธีการทําบุญต่างๆรู้จักวิธีปฏิบัติที่จะทําให้ใจมีบุญมากขึ้นไปตามลำดับไม่มีคําถามค่ะนะบุ ญ, บ, ญบุญทเทวเทศนี้พระพุทธเจ้าทรงสอนให้อุทิศบุญด้วยการทําทานทําบุญใส่บาตรบริจาคเงินให้กับใครก็ได้พอเราทําแล้วเราก็สามารถอุทิศบุญได้ทันทีเพราะบุญมันเกิดขึ้นทันที แต่บุญที่เกิดจากการฟังธรรมหรือจากการปฏิบัติธรรมนี้บางทีมันยังไม่เกิดมันไม่มีบุญจะอุทิศ <c oughs> คทํามจักยูทูบพระสุชาติค่ะปฏิบัติธรรมมาสักช่วงหนึ่งช่วงที่ฝันน่ากลัวกําหนดพุทโธในฝันฝันน่ากลัวนั้นก็หยุดไปหรือฝันถึงกา ร, รมราคะก็กําหนดอสุคะกา ร, รในฝันก็หยุดไปถือว่าเป็นความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมไหมครับ ก็จะว่าเป็นการก้าวหน้าก็ได้แต่ต้องพิสูจน์เวลาที่ไม่ได้ไม่ไมไม่หลับเวลาเจอของจงริงดูว่าจะทำได้หรือไม่คำถามจากยูทูปพระอาจารย์สุชาติค่ะเมื่อหลายปีก่อนเคยไปปฏิบัติธรรมที่วัดยานบ่อยมากแต่ตอนนี้ย้ายมาอยู่ที่ต่างประเทศขอโทษค่ะไม่ใช่คำถามค่ะคำถามจากอีกคำถามหนึ่งค่ะ กลับเรียนถามกลับเรียนถามว่าปฏิบัติธรรมแก้โรคซึมเศร้าได้ไหมเจ้าค้าได้ถ้าปฏิบัติสําเร็จถ้าทําจิตให้สงบได้อาการซึมเศร้าต่างๆก็จะหายไปได้ <Okay. S 1> เฮ้ยเขาโยงมาถัมองที่บ้านเอาไว้ก่อนก็ไดนะ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ย ว, ดย ว, ดย ว, ดยวได้ถามมนกลับพระอาจารย์นะคะเจ้าคะ เออเจ้าคุณถามว่าเวลาใส่บาตรนะคะไม่ทราบว่าต้องกรวดน้ําทุกครั้งหรือเปล่าคะคือไม่ต้องใช้น้ํากวดได้โดยกวดแห้งกวดให้งยังไงคะนึกในใจไงขออุทิศบุญนี้ให้กับคุณพ่อคุณแม่ขายก็ที่ร่วงรับไปแล้วก็เสร็จแล้วไม่ต้องใช้น้ําอ้ำใช้น้้ําใความคิดในใจเราอ๋อใช้ใจส่งไปใช่ไหมคะน้ําไปไม่ได้มันจะไปที่ใจเราบุญอยู่ในใจเราอ๋ออยู่ที่ใจเราใช่ไหมคะแล้วก็อีกข้อหนึ่งคือ ถ้าสมมุติที่บ้านไม่มีพวกเแมลงสาบหรือหนูอะถ้าสมมุติเราใช้ยาฆ่าฆ่ากําจัดพวกแมลงสาบพวกหนูแล้วเนี่ยเราจะเป็นบาปไหมคะท่านบาปใช่กาจัดไรตัวบาปหรือคะบาปบาปต้องมาถึงบาปเพราะใจเพราะเขาเป็นสัตว์เทียมทำลายข้าวของอะถ้าเราเป็นแมลงสาบแล้วเราจะคิดยังไงถึงแม้เขาจะเป็นตัวแมลงสาบแต่ใจเขาเหมือนเรานะใจเขใจเขาเหมือนกับเราใจเขารักตัวกลัวตายเหมือนเราออ ก็วิธีก็คือไล่อย่างเดียวใช่ไหไ่หรือกานมันหวิธีการมัน ต, <ร>นตีไปหาตีไปหลายตัวและะ้วค่ะอย่าเปข่ามันวิธีการมันได้แล้วก็ตอนแร่คิดว่าเออสัตว์พวกนี้มันกษสัตย์แบบเรคิดนะว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานมันมีรเหมือนเรารัากตัวกลัวตายเหมือนเราอือก็คือไล่อย่างเดียวเลยเขาทุกเหมือนเราเวลาเขาถูกฆ่าพวกมดนกเหมือนกันใช่ไหมพวกมนตัวมันแรกใจมันเท่ากับเรา ใจเหมือนเราเต็มปยานอยไปทำมันเสียป๋ายมันตายมันอยู่ไม่กี่วันมันก็ตายผูนนใส่สงใจเขาไปที่ชอบที่ชอบอะไรอย่างนี้ช่วยฮะอ๋อค่ะนีแค่มีแค่นี้ค่ะโอเคอ่าดูคำถามสุดท้ายคำถามสุดท้ายคถามจากผู้รับฟังนากูดค่ะเราจะทำให้การศึกษาเรียนเป็นการปฏิบัติทมได้ด้วยอย่างไรคะก็ต้องศึกษาวิชาธรรมะไ